ร้ายที่สำคัญอย่างหนึ่งของการยึดติดในอัตตาหรือยึดถือบัญญัติแห่งอัตตก็คือผู้ยึดถือจะโยงอัตตานี้เข้ากับความหมายว่าเป็นตัวแกนหรือตัวการที่มีอำนาจบังคับบัญชาบรรดาลให้เป็นไปต่างๆเมื่อความคิดในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดท้ายก็จะสร้างความคิดให้มีอัตตาหรืออาตามันใหญ่อันเป็นสากล ที่เป็นผู้สร้างผู้บรรดาลทุกสิ่งทุกอย่างจินตนาการให้มีพระผู้สร้างเข้ามาสอนแทรกแซงกระบวนการแห่งเหตุปัจจัยโดยไม่จำเป็นที่วงไม่จำเป็นก็เพราะสภาวธรรมทั้งหลายก็มีอยู่ได้เองกระบวนการก็สัมพันธ์กันเกิดความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันอยู่เองโดยไม่ต้องมีผู้สร้างผู้บรรดาลถ้าจะว่าต้องมีผู้สร้างก่อนเป็นเบื้องแรกจึงจะมีสิ่งทั้งหลายได้ จึงต้องมีพระเจ้าเป็นผู้สร้างสภาวธรรมถ้าเช่นนั้นก็ให้สภาวธรรมทั้งหลายนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเป็นเบื้องแรกแทนพระเจ้าซะเลยเพราะสภาวธรรมก็ปรุงแต่งกันตามเหตุปัจจัยเรียกอย่างง่ายๆว่าสร้างกันและกันเองได้อยู่แล้วจะได้ตัดปัญหาไม่ต้องไปวุ่นวายต่อคาถามย้อนต่อไปอีกว่าอะไรมีอยู่ก่อนแล้วพระเจ้าจึงมีขึ้นได้หรือว่าใครสร้างพระเจ้า คือใครให้กำเนิดพระเจ้าหรือว่าพระเจ้ามาจากไหนถ้าจะว่าการที่สภาวธรรมทั้งหลายหรือกระบวนธรรมต่างๆจะเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ต้องมีผู้บรรดาให้เป็นไปคือมีพระเจ้าอยู่เบื้องหลังข้อนี้ก็เกินจาเป็นและไม่สมจริงอีกเพราะถ้ามีพระเจ้าเป็นผู้บรรดาจริงก็จะกลายเป็นว่ามีระบบซ้อนกันอยู่สองชั้นคือพระเจ้าชั้นหนึ่ง กระบวนธรรมอีกชั้นหนึ่งกระบวนธรรทจะเป็นไปอย่างไรก็ต้องรอการบันดาลจากพระเจ้าแต่กระบวนธรรทจะเป็นไปตามการบันดาลของพระเจ้าก็ไม่สะดวกเพราะมันจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยภายในระบบของมันเองอยู่แล้วคือองค์ประกอบต่างๆเกิดดับก็สัมพันธ์เป็นปัจจัยส่งต่อสืบทอดแก่กันในกระบวนธารการบันดาลของพระเจ้าเลยจะกลายเป็นการแทรกแซงขัดขวาง และขัดแย้งกับความเป็นไปของกระบวนธรรมซะมากกว่ายิ่งกว่านั้นถ้าพระเจ้าบันดาลพระเจ้ามีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ก็จะให้สภาวะธรรมเป็นไปตามพระประสงค์เดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างโน้นเดี๋ยวก็จะให้เป็นไปอย่างนี้กระบวนธรรมก็ยิ่งไม่มีทางเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็จะยิ่งปั่นป่วนวุ่นวายมากแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเช่นนั้นกระบวนธรรมก็คงเป็นไปของมันตามเหตุ ป, ปัจจัย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 วิตาตาตตากฎเป็นเพียงบัญญัติซึ่งเกิดจากการที่สภาวะธรรมทั้งหลายมันเป็นไปอย่างนั้นต่างหากอันหนึง่งการไม่มีพระเจ้าผู้สร้างผู้บันดาลและการที่กระบวนทําเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองนั้นยังตัดปัญหาไปได้อีกอย่างหนึ่งคือสภาวะแท้จริงขั้นสุดท้ายหรืออสังคตธรรมก็มีอยู่ตามสภาวะของมัน โดยไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวเป็นผู้สร้างผู้บรรดาลสิ่งต่างๆไม่ต้องมาแทรกแซงขัดขวางหรือขัดแย้งกับกระบวนธรรฝ่ายสังคตะในแง่นี้จะเห็นว่านิพานไม่มีทางเป็นพระเจ้าหรือกอสได้เลยไม่ว่าบางท่านจะพยายามเพียงใดก็ตามที่จะเทียบให้เป็นอย่างเดียวกันนอกจากจะยอมปรับความหมายของกอสเสีมยมัว่าที่จริงทั้งคาว่าพระเจ้า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 คำว่าไม่ยอมรับในที่นี้ก็คือถ้าสถาบันศาสนาคริสต์ไม่ถึงกับถือว่านอกคอกหรือประนามว่านอกคอกนั่นเองในหนังสือเรื่อง Does God Exist and Answer for Today พระเจ้ายังอยู่หรือไม่คำตอบสำหรับวันนี้ที่เขียนโดยฮันส์กุงนักบวชคาทอลิกชาวสวิตซ์เมื่อฮันส์กุงพยายามเปรียบเทียบก๊อตกับนิพาน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 และพระผู้สร้างผู้บรรดาลท่านผู้ใดมีปัญญามากก็ทำความคิดในเรื่องนี้ให้ละเอียดซับซ้อนกว้างขวางมากแต่โดยสาระก็พากันม้วนเวียนติดอยู่ที่จุดเดียวกันนี้การที่พระพุทธเจ้าซึ่งก็น่าจะติดอยู่ในวงความคิดนั้นแล้วขยายบัญญัติให้ละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไปแต่กลับทรงค้นพบความเป็นอนัตตาหลุดพ้นจากความยึดถือตัวตนมาแสดงให้เห็นว่า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 แท้จริงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะทรงแสดงอนัตตลักษณะย่อมแสดงด้วยความไม่เที่ยงบ้างด้วยความทุกบ้างด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกบ้างในข้อที่ว่านั้นพระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความไม่เที่ยงในพระสูตรนี้ว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงกล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตา คำกล่าวของผู้นั้นไม่สมเพราะว่าจักขุตลอดถึงกายและใจย่อมปรากฏแม้ความเกิดแม้ความเสื่อมผู้มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏนั้นก็จะต้องหลงเนื้อความว่าอัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไปเพราะฉะนั้นคำที่กล่าวว่าจักขุตลอดถึงกายและใจเป็นอัตตานั้นจึงไม่สมจักขุตลอดถึงกายและใจ ย่อมเป็นอนัตตาชนิ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยความเป็นทุกข์ในพระโสดนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปเป็นอนัตตาก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วใส่รูปนี้ก็ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธไม่พึงมีความบีบคั้นขัดข้องคือเป็นทุกข์และเคยใครก็พึงได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้ รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้แต่เพราะรูปเป็นอนัตตาฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธคือเป็นทุกข์และจึงไม่ได้ตามปรารถนาในรูปว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนี้รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ในพระสูตรทั้งหลายเช่นที่ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยง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 เมื่อถ้วยชามขันหรือวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งตกจากมือแตกชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้อันนีจังอย่างนี้ความไม่เที่ยงจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏเมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกายหรือถูกตอถูกหนามเป็นต้นทิ่มตำ่ำชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่าโอ้ทุกข์หนะอย่างนี้ทุกจึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ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 จริงอยู่ท่านดาบทและปริภาชกทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากดังเช่นสรพังคศาสดาเป็นต้นย่อมสามารถกล่าวว่าอนิจจังทุกขังได้แต่ไม่สามารถที่จะกล่าวว่าอนัตตาแม้นหากว่าท่านสารพังค์ขาสดาเป็นต้นเหล่านั้นจะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตาแก่บริษัทที่ประชุมกันได้แล้วบริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการบรรลุมรคผลได้แท้จริงการบัญญัติอนัตตลักษณะหรือการยกอนัตตลักษณะขึ้นมาวางให้ดูไม่ใช่วิสัยของใครๆอื่นหากเป็นวิสัยของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นอนัตตลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวชนี้